มีพระภาพตรัสว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ความพลาดพลากจากกันนี้เป็นจริงที่มีอยู่จริงกุลบุตรเห็นดังนี้แล้วก็ไม่พึงครองเรือนว่าด้วยคนเศร้าโศกเพราะการยึดถือคําว่าชนทั้งหลายในคําว่า ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ตระจัพราหมณ์แพทยสรรูตรบรรปชิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลา ย, ลายคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาสองความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอานาจทิฏฐิ นี้ชื่อว่าความยึดถือว่ า, วาเป็นของเราด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิชนท ibles, Clearly, like ั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจะถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่า วัตถุที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราจะแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นกำลังแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างคือลำบากใจเคร่มครูนตีอกพร่ำเพรอถึงความหลงไหลรวมความว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราคำว่าความยึดถือในคำว่า เพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ได้แก่ความยึดถือสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือด้วยอำนาจตันหา 2. ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิความยึดถือด้วยอำนาจตันหาในภาวะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการและการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ม, ples, ม, มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแม้ความยึดถือเรื่องอำนาจทิฐิก็เป็นภาวะไม่เที่ยมอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดา สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความยึดถือที่เป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอกับสิ่งที่ยึดถือว่าแน่แท้หรือไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่ได้พิจรารณาเห็นความยึดถือที่เป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้ มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอกับสิ่งที่ยึดถือว่าแน่แท้ความยึดถือที่เป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาย่อมไม่มีไม่มีอยู่คือไม่ปรากฏหาไม่ได้รวมความว่าเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่คาว่าความพลัดพลากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอธิบายว่า ความเป็นต่างๆความพลาดพลากความเป็นอย่างอื่นมีอยู่ปรากฏหาได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพอเธออานน์เธออย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยเราพูดไ้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลาดพลากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งที่รักใครพอใจทั้งหมดมีอยู่อานน์ สิ่งที่เกิดแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาขออยาได้แตกสลายไปเลยจะพึงหาได้จากที่ไหนในโลกนี้เล่าข้อนั้นไม่ใช่ฐานะจะมีได้ขันธ์ธาตุอายตนะกรอก่อนแปลผันเป็นอื่นไปขันธ์ธาตุอายตนะที่เกิดหลังๆก็ย่อมเป็นไปรวมความว่าความพลัดพลาดจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง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 พิจารณาแล้วทําให้กระจายแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราดังนี้รวมความว่าเห็นดังนี้แล้วคําว่าก็ไม่พึงครองเรือนอธิบายว่าพึงตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนตัดความกังวลเรื่องบุตรพันยาตัดความกังวลเรื่องญาติตัดความกังวลเรื่องมิตรอมาตตัดความกังวลเรื่องการสะสมทั้งหมด โนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้ากาจาวะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเข้าถึงความไม่กังวลแล้วเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวรวมความว่ากุลบุตรเห็นดังนี้แล้วก็ไม่พึงครองเรือนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ความพระพรากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงกูรบุตรเห็นดังนี้แล้วก็ไม่พึงครองเรือน๔๑ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุรุษย่อมสําคัญเบญจขันธ์ใดว่านี้ของเราเบญจขันธ์นั้นบุรุษนั้นย่อมละไปเพราะความตายบัณฑิตผู้เป็นพุทธมาม ก, กะรู้ชัดโทษนี้แล้วไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราว่าด้วยการยึดถือเบญจขันธ์คำว่าเบญจขันธ์นั้นบุรุษนั้นย่อมละไปเพราะความตายอธิบายว่า คำว่าความตายได้แก่การจุติการเคลื่อนจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆความทำลายความหายไปมัจจุความตายการเลปุริยาการทำลายขันการทอดทิ้งเจ้าศพไว้การตัดขาดชีวิตินสีคำว่าเบญจขันนั้นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คำว่าย่อมละไปได้แก่เบญจขันนั้นบุรุษนั้นย่อมละไปคือละทิ้งละขาดสูญหายสลายไปสมจริงดังพาสิทนี้ว่าผูก้กระซั์ย่อมละบุคคลไปก่อนบ้างบุคคลย่อมละโภ้กรัพย์ไปก่อนบ้างโจรราษผู้ใคร่กามหมูชนผู้มีโภ้กรัพย์เป็นผู้ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาเศร้าโศก ดวงแจนขึ้นเต็มดวงแล้วก็ลับไปดวงอาทิตย์กำจัดความมืดแล้วก็ลับไปศัตรูเอย๋ยเรารู้จักโลกธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาเศร้าโศกคำว่าเบญจขันใดในคําว่าบุรุษย่อมสําคัญเบญจขันใดว่านี้ของเราเบญจขันนั้นบุรุษนั้นย่อมละไปเพราะความตายได้แก่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 ย่อมสำคัญเพราะความสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิย่อมสำคัญเพราะความสำคัญด้วยอำนาจมานะย่อมสำคัญเพราะความสำคัญด้วยอำนาจกิเลสย่อมสำคัญเพราะความสำคัญด้วยอำนาจทุจริตย่อมสำคัญเพราะความสำคัญด้วยอำนาจกิเลสเครื่องประกอบย่อมสำคัญเพราะความสำคัญด้วยอำนาจวิบากรวมความว่าบุรุษย่อมสำคัญเบญจขันธ์ใดว่านี้ของเรา คำว่าบัณฑิตรู้ชัดโทษนี้แล้วได้แก่รู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งโทษนี้ในเบญจขันธ์ที่ยึดถือว่าเป็นของเรารวมความว่ารู้ชัดโทษนี้แล้วคำว่าบัณฑิตได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้ง มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสรวมความว่าบัณฑิตรู้ชัดโทษนี้แล้วคำว่าผู้เป็นพุทธมามะกะไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหา ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหาน้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐิคำว่าผู้เป็นพุทธมามะกะได้แก่ผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นย่อมนับถือพระผู้มีพระภาคว่าเป็นของเราพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองบุคคลนั้น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 ภิกษุทั้งหลายผู้คดโกงแข็งกระด้างพูดพล่อยกล리กลายมีมานะจัดมีจิตไม่มั่นคงยอมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ไม่คดโกงไม่พูดพล่อยเป็นนักปราดไม่แข็งกระด้างมีจิตมั่นคงยอมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วคาว่าผู้เป็นพุทธมามะกะ ไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าผู้เป็นผู้ธมะมกะและความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วไม่พึงน้อมไปคือไม่พึงโน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ไม่พึงเป็นผู้เอนไปในความยึดถือว่าเป็นของเรานั้น ไม่พึงเป็นผู้โอนไปในความยึดถือว่าเป็นของเรานั้นไม่พึงเป็นผู้โน้ม pues ไปในความยึดถือว่าเป็นของเรานั้นไม่พ cool ึงเป็นผู้น้อมใจไปในความยึดถือว่าเป็นของเรานั้นไม่พึงเป็นผู้มีความยึดถือว่าเป็นของเรานั้นเป็นใหญ่รวมความว่าผู้เป็นผู้ธมามกะไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุรุษผู้เตินขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความฝันฉันใดใครๆย่อมไม่เห็นชนผู้เป็นที่รักซึ่งตายจากไปแล้วฉันนั้นว่าด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องอุปมาเหมือนความฝันคําว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความฝันฉันใดได้แก่ที่เกี่ยวข้องเคอที่มาปรากฏที่มารวมกัน ที่มาประชุมกันรวมความว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความฝันฉันใดคำว่าบุรุษผู้เตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอธิบายว่าบุรุษผู้ฝันเห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์เห็นมหาสมุทรเห็นขุนเขาสุเมนเห็นช้างเห็นม้าเห็นรถเห็นทหารราบเห็นขบวนทัพเห็นสวนที่น่ารื่นรมเห็นป่าที่น่ารื่นรมเห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรม เห็นสระที่น่ารื่นรมเมื่อเตื่นขึ้นแล้วก็ย่อมไม่เห็นอะไรเลยฉันใดรวมความว่าบุรุษผู้เตือนขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นคำว่าฉันนั้นในคำว่าชนผู้เป็นที่รักฉันนั้นเป็นคำอุปมาทําอุปมาให้สมบูรณ์คำว่าชนผู้เป็นที่รักได้แก่ชนผู้เป็นที่รักเพื่อผู้นับถือว่าเป็นของเราได้แก่มารดาบิดา พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรที่ดามิตรอมาตหรือญาติสายโรหิตรวมความว่าชนผู้เป็นที่รักฉันนั้นคำว่าย่อมไม่เห็นซึ่งตายจากไปแล้วอธิบายว่าผู้ที่ตายไปแล้วตรัดเรียกว่าผู้จากไปแล้วใครๆย่อมไม่เห็นคือย่อมไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้คืน ชนผู้เป็นที่รักซึ่งตายไปแล้วรวมความว่าย่อมไม่เห็นซึ่งตายจากไปแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุรุษผู้เติมขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความฝันฉันใดใครๆย่อมไม่เห็นชนผู้เป็นที่รักซึ่งตายจากไปแล้วฉันนั้น43พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้ชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างสัตว์เกิดจากไปแล้วเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวขานกันว่าด้วยสิ่งต่างๆสลายไปเหลือแต่ชื่อคำว่ายังเห็นกันอยู่ในคำว่าชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างได้แก่ ผู้มีรูปที่รู้กันได้ด้วยจกักขรวิญญาณคำว่ายังได้ยินกันอยู่ได้แก่ผู้มีชื่อเสียงที่รู้กันได้ด้วยโสตวิญญาณคำว่าชนเหล่านั้นได้แก่กษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรครรหัตบรรปะชิตเทวดาและมนุษย์รวมความว่าชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างคำว่า ของชนเหล่าใดในคําว่าชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้ได้แก่ของประศัตรพราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบรรพชิตเทวดาและมนุษย์เหล่าใดคําว่าชื่อได้แก่การกล่าวถึงการขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาจาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะ คำว่าที่กล่าวกันอยู่ได้แก่ที่เรียกที่กล่าวกันอยู่คือที่พูดที่บอกที่แสดงที่ชี้แจงกันอยู่รวมความว่าชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้คำว่าเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวขานกันอธิบายว่าขันที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบุคคลย่อมละละเว้นละขาดสูญหาย สลายไปก็ยังเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นคําว่าเพื่อกล่าวขานกันได้แก่เพื่อกล่าวขานกันคือเพื่อพูดบอกแสดงชี้แจงรวมความว่าเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวขานกันคําว่าจากไปแล้วในคําว่าสัตว์เกิดจากไปแล้วได้แก่ตายแล้วทํากาละแล้วคําว่าสัตว์เกิดได้แก่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 เพื่อกล่าวขานกัน 44. พระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความคลั่โครวญและความตรนีไม่ได้เพราะฉะนั้น มุนีผู้เห็นแดนกเกษมและความยึดถือได้แล้วเที่ยวไปคำว่าชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความคร่ำครวญและความตระหนีไม่ได้อธิบายว่าคำว่าความเศร้าโศกได้แก่ความเศร้าโศกกริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความเศร้าโศกภายในความเศร้าโศกมากภายใน ความหม่นไหม้ภายในความเร ah ่าร้อนภายในความหม่นไหม้แห่งจิตความทุกข์ใจลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ถูกความเสียหายของยากกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งพวกกระซั์กระทบบ้างถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจบกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้าง ทูเคแ่งทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคําว่าความคร่ําครวนได้แย่ความบ่นเพ้อความคร่ําครวนกิริยาที่บ่นเพ้อยิริยาที่คร่ําครวนภาวะที่บ่นเพ้อภาวะที่คร่ําครวนการพูดพรพดพ่การพูดเพ้อการพูดเพ้อเจ้าความพร่เพ้อยิริยาที่พร่เพ้อภาวะที่พร่เพ้อ ของผู้ถูกความเสียหายของยาิกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจว ก, กับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างถูกเหตุแห่งทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างว่าด้วยความตรณีห้าอย่างคําว่าความตรณีได้แก่มัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสะมัจฉริยะ 2. กุลมัจฉริยะ สาลาภมัจฉริยะสวัรณมัจฉริยะหธรรมะมัจฉริยะความตรณีกริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความเห็นแก่ได้ความถี่เหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิต ห, หวงแหนเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความตรณีอีกในหนึ่งความตรณีขันก็ดีความตรณีาธาตุก็ดี ความตรณีอายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีนี้ตรัสเรียกว่าความตรณีตัณหาตรัสเรียกว่าความติดใจคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา 2. ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐินี้ wa wa ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐิชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจะถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นกาลังถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้าง เมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจะแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นกาลังแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจะถูกแย่งชิงไปย่อมคล่งครวญบ้าง เมื่อวัตถุนั้นกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมคร่ำครวญบ้างเมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมคร่ำครวญบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจะแปรผันไปย่อมคร่ำครวญบ้างเมื่อวัตถุนั้นกำลังแปรผันไปย่อมคร่ำครวญบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้วก็ย่อมคร่าครวญบ้างชนทั้งหลายย่อมรักษาปกป้องถือครองยึดถือ สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราประพฤติตรณีว่าเป็นของเราย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจึงละความเศร้าโศกไม่ได้ละความคร่ำครวญไม่ได้ละความตรณีไม่ได้ละความติดใจไม่ได้ละไม่ได้คือละเว้นไม่ได้บรรเทาไม่ได้ทำให้หมดสิ้นไปไม่ได้ให้ถึงความไม่มีอีกไม่ได้รวมความว่า ชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละทิ่งความเศร้าโศกความคร่ำครวญและความตระหนีไม่ได้คำว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นมุนีผู้เห็นแดนเกษิมละความยึดถือได้แล้วเที่ยวไปได้แก่เพราะฉะนั้ น, น, น, ค, ะะ น, นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้น เมื่อเห็นโทษนี้ในการยึดถือว่าเป็นของเรารวมความว่าเพราะฉะนั้นว่าด้วยโมนยธรรมสามประการคำว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิผู้ประกอบด้วยญาณ น, นั้นชื่อว่ามุนี คือผู้บรรลุโมนยาแล้วโมนยธรรมธรรมที่ทำให้เป็นมุนีมีสามประการคือหนึ่งโมนยธรรมทางกายสองโมนยธรรมทางวาจาสามโมนยธรรมทางใจผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าความยึดถือได้แก่ความยึดถือสองอย่าง คือหความยึดถือด้วยอำนาจตันหาสองความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีละความยึดถือด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วละคือละเว้นบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกเที่ยวไปได้แก่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 ผู้เห็นแดนเกษมได้แก่ผู้เห็นแดนเกษมคือเห็นที่ปกป้องเห็นที่หลีกเร้นเห็นที่พึ่งเห็นที่ไม่มีภัยเห็นที่ไม่จุติเห็นอมตะธรรมเห็นนิพพานรวมความว่าเพราะฉะนั้นมุนีผู้เห็นแดนเกษมละความยึดถือได้แล้วเที่ยวไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความคร่ำครวญและความตรณีไม่ได้เพราะฉะนั้นมูนีผู้เห็นแดนกเกษมและความยึดถือได้แล้วเที่ยวไป 45. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บันดิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นใช้ที่นั่งอันสงัดนั้นว่าเป็นความสามัคคีว่าด้วยผู้ประพฤติหลีกเร้นคําว่าของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นอธิบายว่าพระเสขะเจจาพวกตราดเรียกว่าผู้ประพฤติหลีกเร้นส่วนพระอรหันต์ชื่อว่าผู้หลีกเร้นแล้ว เพราะเหตุไรพระเสขะเจ็ดจำพวกจึงตรัสเรียกว่าผู้ประพฤติหลีกเร้นพระเสขะเหล่านั้นให้จิตหลีกเร้นถอยกลับหมุนกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นเที่ยวไปประพฤติอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปคือให้จิตหลีกเร้นถอยกลับหมุนกลับปิดกั้น ข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตในจักขุทวารเที่ยวไปประพฤติอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปอย่างชีวิตให้ดำเนินไปคือให้จิตหลีกเร้นถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตในโสตทวารในคารณทวารในชิวหาทวารในกายทวารในมโนทวาร พระเสกขาเหล่านั้นให้จิตหลีกเร้นถอยกลับหมุนกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณนน์นั้นๆเที่ยวไปประพฤติอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปคือให้จิตหลีกเร้นถอยกลับหมุนกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตในจกักรุทวาน ในโสตะทะวารในคานะทะวารในชิวหาทวารในกายถวารในมโนถวารที่ไปประพฤติอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปเปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่ใส่เข้าไปในไฟแล้วย่อมหักงอมมวนไม่คลี่ออกฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระเสขะเจดจำพูจึงตรัสเรียกว่า ผู้ประพฤติหลีกเร้นคำว่าของภิกษุได้แก่ของภิกษุผู้เป็นกรรยาณปุปุชนหรือของภิกษุผู้เป็นพระเศคะรวมความว่าของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นคำว่าใช้ที่นั่งอันสงัดอธิบายว่าที่สําหรับนั่งของภิกษุตรัดเรียกว่าที่นั่งได้แก่เตียงตังเบาะเสือ่อแผ่นหนัง เครื่องปูล่าทำด้วยหญ้าเครื่องปูล่าทำด้วยใบไม้เครื่องปูล่าทำด้วยฟางที่นั่งนั้นว่างสงัดเงียบจากการไ <PTSD> ด <griff Buddhist S 1> ้เห็นรูปไม่เป็นที่สบายจากการได้ยินเสียงไม่เป็นที่สบายจากการได้กลิ่นไม่เป็นที่สบายจากการได้ลิ้มรสไม่เป็นที่สบายจากการถูกต้องผลธพะไม่เป็นที่สบายที่นั่งนั้นว่างสงดเงียบจากการมาคุณห้าไม่เป็นที่สบาย ผู้ใช้คือใช้สอยเศบเศเป็นนิดส่องเศบเศษเฉพาะที่นั่องอันสงัดนั้นรวมความว่าใช้ที่นั่องอันสงัดคำว่าความสมคีในคำว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในพบของภิกษุนั้นว่าเป็นความสมคีได้แก่สมคีสามอย่างคือหนึ่งคณะสมคีสองธรรมสมคี อนัพพินิพัติสามัคคีคณะสามัคคีเป็นอย่างไรคือแม้หาภิสูจทั้งหลายเป็นอันมากพร้อมเพรียงกันชื่นชมไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำกลมกลืนกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาที่รักกันอยู่นี้ชื่อว่าคณะสามัคคีธรมมสามัคคีเป็นอย่างไรคือสติปทานสี่ส ม, มปทานสี่อิทิบาทสี อินรี่ห้าพละห้าพชชงเจ็ดอเริยมักมีองค์แปดทมเหล่านั้นย่อมดำเนินไปผ่องใสตั้งมั่นหลุดพ้นไปโดยความเป็นอันเดียวกันทมเหล่านั้นไม่มีความวิวาดขัดแย้งกันนี้ชื่อว่าธรรมสามัคคีอนัพพินิพัติสามัคคีเป็นอย่างไรคือแม้หากพิสูุ์เป็นอันมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาต ความพร่องหรือความเต็มแห่งนิพพานธาตุของพิสุเหล่านั้นย่อมไม่ปรากฏนี้ชื่อว่าอนัพพินิพัติสามขีคําว่าในภพอธิบายว่านรกเป็นภพของสัตว์นรกกําเนิดเดราชานเป็นภพของสัตว์ผู้เกิดในกําเนิดเดราชานเปตะวิสัยเป็นภพของสัตว์ผู้เกิดในเตตะวิสัยมนุษยโลกเป็นภพของมนุษย์ เทวโลกเป็นภพของหมู่เทวดาคำว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพของภิกษุนั้นว่าเป็นความสามัคคีอธิบายว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าภิกษุใดไม่แสดงตนในนรกอันปกปิดไม่แสดงตนในกําเนิดเดริชานไม่แสดงตนในเปตะวิสัยไม่แสดงตนในมนุษยโลก ไม่แสดงตนในเทวโลกอย่างนี้การไม่แสดงตนของภิกษุนั้นเป็นความสามัคคีคือข้อนี้เป็นการปกปิดเป็นการเหมาะสมเป็นการสมควรเป็นการอนุโลมรวมความว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพของภิกษุนั้นว่าเป็นความสามัคคีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพของภิกษุ ผู้ประพฤติหลีกเร้นใช้ที่นั่งอันสงนัดนั้นว่าเป็นความสามัคคี46พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงไม่ทำสัตว์สังขารไหนให้เป็นที่รัก และไม่ทำสัต ส, สังขารไหนให้ไม่เป็นที่รักความคร่ำครวญและความตรนีไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนหยาดน้าไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นคาว่ามุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงอธิบายว่าอายตนะสิบสองตรัดเรียกว่าสิ่งทั้งปวงคือตาและรูปหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโภทพะ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 ความอาศัยด้วยอำนาจตัญหาน้ชื่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีละความอาศัยด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วไม่อาศัยตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธะพพะธรรมรมตระกูลหมูนะ่คณะอาวาดลาบยศสันเสริญสุข จีวณบินทบาทเสนาสนะกิฬานปัจจัยเพศสัตวบริขารกามาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามาพรูปพบอรูปพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาญัตนะพเอกโวการพจตุโวการพปัญจโวการพบพบอดีตพบอนาคตพบปัจจุบันไม่อาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน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 สิ่งเป็นที่รักสองจำพวกคำว่าไม่ทำสัตสังขารไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสัตสังขารไหนให้ไม่เป็นที่รักอธิบายว่าคำว่าเป็นที่รักได้แก่สิ่งเป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตสองสังขารสั ต, สตเ่าไหนาเป็นที่รักสัต์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปราถนาแต่สิ่งที่เกลือกูลปรารถนาแต่ความผาสุกปราถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดามิตรอมาตยา่าหรือผู้ร่วมสายโลหิตของผู้นั้นสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักสังขารเหล่าไหนเป็นที่รักรูปเสียงกลิ่นรส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 ไม่ทําให้เป็นที่รักด้วยอํานาจราคะว่าสัตว์นี้เป็นที่รักของเราสังขารเหล่านี้เป็นที่ชอบใจของเราไม่ทําให้ไม่เป็นที่รักด้วยอํานาจปฏิคะคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใบังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นว่าสัตว์นี้ไม่เป็นที่รักของเราสังขารเหล่านี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเรารวมความว่าไม่ทําจัตสังขารไหนให้เป็นที่รัก และไม่ทำศาสังขารไหนให้ไม่เป็นที่รักคําว่าในมุนีนั้นในคําว่าความคร่ําครวญและความตรณีไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนหยาดน้ําไม่ติดอยู่บนใบโบฉะนั้นได้แก่ในบุคคลผู้เป็นพระอาหารหันตขีนาศคําว่าความคร่ํำครวญได้แก่ความบ่นเพอความคร่ํำครวญกริยาที่บ่นเพอกริยาที่คร่ํำครวญ ภาวะที่บ่นเพอภาวะที่ครั่งครวญการพูดพร่ำการพูดเพอการพูดเพอเจ้อความพร่ำเพอกลุ่ยาที่พร่ำเพอภาวะที่พร่ำเพอของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งโภกทระซย์กระทบบ้างถูกความเสียหายพระโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้าง ประจวกับกวความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างถูกเหตแท่งทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคําว่าความตรนีได้แก่มัชชริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสัมชริยะ2กุลมัชชริยะสาลาภมัชชริยะสวันณามัชชริยะหธรร ม, มามัชชริยะคือความตรนี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 คำว่าไม่ติดอยู่เหมือนหยาดน้ําไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นอธิบายว่าใบของบอัวตรัสเรียกว่าใบบัวน้ําตรัสเรียกว่าหยาดน้ําความคล่ําครวนและความตระนีไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นสภาพไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วในบุคคลผู้เป็นพระอรหันตขีนาศนั้นเหมือนหยาดน้ําไม่ติด คือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นของไม่ติดแล้วเป็นของไม่ติดแน่นแล้วเป็นของไม่ติดพันแล้วบนใบบัวฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์นั้นไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับกิเลสเหล่านั้น มีใจเป็นอิสระอยู่รวมความว่าความคร่ำครวญและความตระนีไม่ติดอยู่ในมูนีนั้นเหมือนหยาดน้ําไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงไม่ทําสัตว์สังขารไหนให้เป็นที่รักและไม่ทําสัตว์สังขารไหนให้ไม่เป็นที่รักความคร่ำครวญและความตระนีไม่ติดอยู่ในมูนีนั้น เหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเะนั้น๔๗พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามูนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัว เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนดอกบวนะัวฉะนั้นคำว่าเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบวัวอธิบายว่าเม็ดน้ำตรัสเรียกว่าหยาดน้ำใบของบวัวตรัสเรียกว่าใบาบวัวเปรียบเหมือนหยาดน้ำไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นของไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วบนใบบวัวฉนะนั้นรวมความว่า เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวคำว่าเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้นอธิบายว่าดอกของบัวตรัดเรียกว่าดอกบัวน้ำตรัดเรียกว่าหยาดน้ำเปรียบเหมือนหยาดน้ำไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นของไม่ติดแล้วไม่ติดแ น, น่นแล้วไม่ติดพันแล้วบนดอกบัวฉะนั้นรวมความว่า เหมือนหยาดน้าไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้นคำว่าเหมือนฉะนั้นในคำว่ามูนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนฉะนั้นเป็นคำอุปมาทำอุปมาให้สมบูรณ์คำว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัด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 รวมความว่ามุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนหยาดน้ําไม่ติดบนใบบัวเหมือนหยาดน้ําไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้นสี่สิบปพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 อุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัจฉริยะมายาสาเถยยะถมะัมภะสารัมภะมานะปฏิมานะม า, นะมาทะปะมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกร่งกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการเป็นเครื่องกำจัดชำระล้างและซักฟอก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 อีกในหนึ่งอเรียมักมีองค์8ปดเป็นเครื่องกำจัดชำระล้างและซักฟอกคิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขารทุกประเภทพระอรหันต์ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดาเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมด้วยธรรมเป็นเครื่องกาจัดเหล่านี้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 อธิบายว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็นไม่สำคัญหมายโดยรูปที่เห็นคือไม่สำคัญหมายว่าเราเห็นรูปแล้วไม่สำคัญหมายเสียงที่ได้ยินไม่สำคัญหมายในเสียงที่ได้ยินไม่สำคัญหมายโดยเสียงที่ได้ยินคือไม่สำคัญหมายว่าเราได้ยินเสียงแล้วไม่สำคัญหมายอารมณ์ที่รับรู้ ไม่สำคัญหมายในอารมณ์ที่รับรู้ไม่สำคัญหมายโดยอารมณ์ที่รับรู้คือไม่สำคัญหมายว่าเรารับรู้อารมณ์แล้วไม่สำคัญหมายธรรมารมที่รู้แจ้งไม่สำคัญหมายในธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งไม่สำคัญหมายโดยธรรมารมที่รู้แจ้งคือไม่สำคัญหมายว่าเรารู้แจ้งธรรมารมณ์แล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายปุตชนสําคัญหมายกันว่าเรามีอยู่เรานี้มีอยู่เราจะมีเราจะไม่มีเราจะเป็นผู้มีรูปเราจะเป็นผู้ไม่มีรูปเราจะเป็นผู้มีสัญญาเราจะเป็นผู้ไม่มีสัญญาเราจะเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายความสําคัญหมายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร เป็นอุปัถวะภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหลพวกเธอพึงศึกษาในธรรมวิในยอย่างนี้ว่าพวกเราจะมีจิตไม่สำคัญหมายอยู่รวมความว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้คำว่าพระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดด้วยมักอื่นอธิบายว่า พระอาหารหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่ต้องการคือย่อมไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยมรรคเอื่นคือด้วยมรรคที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิดทางที่ไม่นำออกจากทุกนอกจากสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินสีภละ โคชงและอเรีมักมีองค์แปดรวมความว่าพระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดด้วยมักอื่นคำว่าพระอรหันต์นั้นย่อมไม่กำนัดย่อมไม่ต้องคลายกำนัดอธิบายว่าพานและปุตชชนทั้งปวงย่อมกำนัดพระเสขเจจมพวกรวมทั้งกัลยาณปุทชชนย่อมคลายกำนัดพระอรหันต์ย่อมไม่กำนัดย่อมไม่คลายกำนัด พระอาหารหันต์นั้นคลายกำหนัดแล้วเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเหตุสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเหตุสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะเหตุสิ้นโมหะท่านอยู่ในอริยวัฒธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วพระอาหารหันต์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าพระอาหารหันต์นั้นย่อมไม่กำหนัด